ตอนคำอธิบายเรื่องการระลึกชาติโดวยวิธีการสะกดจิตในหนังสือวิญญาณฉบับเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมได้มีตัวอย่างของผู้ที่ระลึกชาติได้โดวยวิธีการสะกดจิตซึ่งได้นำมาลงถึงสามเรื่อง และในเรื่องเหล่านี้มีปัญหาที่น่าสนใจอยู่หลายตอนโดยเฉพาะบางคนอาจจะสงสัยว่าการระลึกชาติโดยวิธีการสะกดจิตจะเป็นไปได้หรือและถ้าเป็นไปได้จะมีประเด็นอะไรที่แตกต่างจากการระลึกชาติของผู้ที่ได้ฌานขั้นสูงปัญหาทั้งสองข้อนี้สำหรับคนที่ไม่คิดก็อาจจะไม่สงสัยแต่สำหรับคนที่ชอบคิดและเคยมีพื้นความรู้อย่างนี้มาบ้างก็ย่อมจะต้องสงสัย <Jub ilee> และถ้าหาคำตอบที่พอใจไม่ได้ก็อาจจะไม่เชื่อและปัญหาทั้งสองข้อนี้เกินความรู้ของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นจึงได้กราบเรียนถามเทพพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งท่านได้ให้คำตอบที่น่าฟังมากดังต่อไปนี้การระลึกชาติโดยวิธีการสะกดจิตนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ขอให้ระวังเพราะจะมีข้อผิดพลาดง่ายที่สุดเนื่องจากการระลึกชาติโดยวิธีการสะกดจิตนั้นมีลักษณะอย่างเดียวกับคนที่นอนหลับแล้วละเมอออกมาแต่ก็มีข้อที่แตกต่างกันคือคนที่นอนหลับไม่มีสติควบคุมตัวเองฉะนั้นเรื่องที่ละเมอจึงมักจะเป็นเรื่องเปะปะแต่ถึงกระนั้นมันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงพื้นจิตใจและประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาในชีวิต โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ประทับใจมากส่วนผู้ที่ถูกสะกดถึงแม้ตัวเองจะไม่มีสติควบคุมหรือบังคับตัวเองไม่ได้ก็จริงแต่ผู้สะกดเป็นคนตื่นมีสติควบคุมตัวเองและมีอำนาจจิตที่จะบังคับให้คนที่ถูกสะกดพูดหรือแสดงอาการต่างๆออกมาตามที่ตนต้องการเพราะฉะนั้นเรื่องราวของผู้ถูกสะกด จึงไม่เปรตปะเหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วละเมอออกมาอันหนึ่งผู้ที่ถูกสะกดจนกระทั่งสามารถระลึกชาติได้นั้นท่านให้ข้อสังเกตว่าผู้สะกดแม้จะเก่งสักเพียงไรคือเคยสะกดคนอื่นสำเร็จมาหลายรายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำได้สำเร็จทุกราย ทั้งนี้ก็เพราะผู้ที่ถูกสะกดจนกระทั่งสามารถจะระลึกเรื่องราวในอดีตชาติของตนเองออกมาได้นั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีความกดดันอยู่ในใจมากพื้นเดิมถึงแม้จะไม่เคยฝึกสมาธิมามากแต่ก็ต้องอยู่ในฐานะที่อาจจะฝึกสมาธิได้ง่ายในเมื่อมีผู้แนะนาอย่างดีแต่ถ้าเป็นคนเคยได้สมาธิอย่างสูงมาแล้วการระลึกชาติของเขาจะทาได้ง่ายขึ้นและจะได้รายละเอียดมากขึ้น แต่ถ้าผู้ถูกสะกดเป็นคนที่มีความกดดันมากก็จะสะกดได้ยากมากและถึงแม้จะสะกดได้และทำให้ระลึกชาติได้แต่เรื่องราวที่บอกเล่าหรืออาการที่แสดงออกมาในระหว่างที่ถูกสะกดนั้นจะเชื่อถือทั้งหมดไม่ได้เพราะถึงอย่างไรก็จะต้องมีเรื่องซึ่งผู้ถูกสะกดเสกสรรขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากความกดดันปรากฏการณ์อันนี้จะต้องมีบ้างไม่มากก็น้อย และข้อที่เราจะรู้ได้ก็โดยการพิสูจน์หาข้อเท็จจริงและจะพบว่าเรื่องราวที่เขาบอกมานั้นหาข้อพิสูจน์ไม่ได้คนที่ไม่มีความกดดันหรือมีแต่น้อยคนประเภทนี้หายากมากสำหรับในสมัยปัจจุบันเพราะความทะเยอทะยานของคนสมัยทุกวันนี้มีมากและเมื่อไม่สำเร็จสมความปรารถนา ก็ปล่อยวางอะไรไม่ค่อยได้นี่แหละคือสาเหตุใหญ่ของความกดดันและยิ่งคนไหนเป็นคนที่ซ่อนอารมณ์หรือซ่อนความรู้สึกได้เก่งไม่ค่อยจะเปิดเผยความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นทราบคนประเภทนี้จะมีความกดดันมากเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการสะกดจิตให้ระลึกชาติได้ไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ง่ายๆนะัก ส่วนปัญหาที่ว่ามีข้อที่แตกต่างกันอย่างไรจากผู้ที่ระลึกชาติได้โดยวิธีการเข้าชานนั้นท่านอธิบายให้ฟังว่าผู้ที่ระลึกชาติได้โดยวิธีการสะกดจิตตนเองเคยมีความทุกข์ทรมานหรือมีความเจ็บปวดอย่างไรเคยมีความตกใจหรือมีความหวาดกลัวอย่างไรหรือมีความเศร้าโศกอย่างไรความรู้สึกประเภทนี้จะแสดงออกมาด้วยในขณะนั้นเสมือนหนึ่งเขากาลังได้รับอยู่ และมีข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือผู้ที่ระลึกชาติได้โดยวิธีนี้มักจะนึกได้แต่เหตุการณ์ที่ประทับใจหรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอย่างรุนแรงส่วนเหตุการณ์ธรรมดามักจะระลึกขึ้นมาไม่ได้ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่ได้ฌานขั้นสูงการระลึกชาติของท่านเหล่านี้สามารถจะระลึกได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องปกติหรือเรื่องที่ก่อให้เกิดความประทับใจ ทั้งนี้สุดแล้วแต่ความต้องการและเรื่องราวที่ระลึกขึ้นมาได้นั้นแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เคยก่อให้เกิดความเจ็บปวดก่อให้เกิดความสะดุ้งกลัวหรือก่อให้เกิดความรุนแรงก็ตามอารมณ์ต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาดเพราะการระลึกชาติได้ของผู้ที่ได้ฌานนั้นทุกคนจะรู้สึกวางเฉยต่อเหตุการณ์เหล่านั้นเหตุการณ์ทุกอย่างที่ระลึกได้เป็นเพียงซาของความจำที่ยังเหลืออยู่ ส่วนอารมณ์ที่คลุกคล้าอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆได้ถูกปล่อยวางไปหมดแล้วเหมือนคนบางคนที่ยหย่าขาดจากสามีหรือภรรยาเพราะความเบื่อหน่ายความรักที่เคยมีมาแต่ก่อนละลายหายสูญไปหมดแล้วสําหรับในกรณีอย่างนี้การระลึกถึงเหตุการณ์ย้อนหลังในสมัยที่ยังอยู่ด้วยกันจะไม่มีอารมณ์เหมือนอย่างที่เคยมีมาเมื่อก่อน คนที่ระลึกชาติได้ด้วยอำนาจจิตด้วยอำนาจของสมาธิขั้นสูงก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันนี้ทั้งนี้ก็เพราะถ้าอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในขณะเข้าสมาธิสมาธิก็จะเสื่อมทันทีและเมื่อสมาธิเสื่อมการระลึกชาติก็ย่อมเป็นไปไม่ได้คนส่วนมากที่ฝึกสมาธิถึงขั้นสูงไม่ได้ก็เพราะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆไม่ได้นี่แหละ อันหนึ่งบางคนเพราะเหตุที่ในชาติก่อนเคยฝึกสมาธิมามากจนได้ถึงฌานขั้นสูงมาในชาตินี้เมื่อมาฝึกอีกก็จะสําเร็จได้โดยไม่ยากซึ่งบางคนก็อาจจะเกิดหูทิพตาทิพติดต่อกับโอปปาติกะได้ระลึกชาติได้หรือบางคนอาจจะสร้างกายทิพขึ้นมาได้ซึ่งเป็นกายที่สมบูรณ์สามารถไปไหนมาไหนได้รวดเร็วเท่ากับใจนึก แต่แล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ไม่นานเท่าไรก็เสื่อมทั้งนี้ก็เพราะสาเหตุอย่างเดียวกันคือคนคนนั้นยังมีอารมณ์ค้างอยู่ในจิตใจมากปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ค่อยได้ตัดใจในเรื่องต่างๆก็ไม่ค่อยได้ทั้งที่ต้องการจะตัดนี่แหละคืออุปสรรคอันใหญ่หลวงของผู้ที่จะฝึกสมาธิในขั้นสูง นอกจากปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วบางคนก็อาจจะสงสัยอีกว่าทฤษฎีหรือหลักวิชาที่จะอธิบายให้เข้าใจว่าเพราะเหตุใดคนที่ถูกสะกดจิตจึงระลึกชาติได้และเพราะเหตุใดคนที่ได้สมาธิขั้นสูงจึงสามารถระลึกชาติได้และบางคนในเวลานอนหลับสนิทแล้วฝันเหตุการณ์ในความฝันบางครั้งก็คือเหตุการณ์ในอดีตชาติอย่างนี้ก็มี เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นไปได้อย่างไรปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรจะต้องทราบเพราะถ้าไม่เข้าใจในปัญหาเหล่านี้เราก็อาจจะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติได้จริงและถ้าหากว่าไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติได้เราก็ไม่อาจที่จะยอมรับธรรมะเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่า เราเคยเกิดมาแล้วกรรมต่างๆที่เราได้ทำไว้มันจะต้องมีผลออกมาเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จริงและไม่อาจที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชะตาชีวิตและถ้าหากตนเองมีความโน้มเอียงที่จะเชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลก mm. ก็จะมองเห็นไปว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันไม่ใช่เป็นเพราะการกระทาของตอนเอง แต่เป็นเพราะพรบประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่จะให้เป็นเช่นนั้นแต่ตรงกันข้ามถ้าหากผู้ใดเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าพระพุทธเจ้ามีความสามารถในการระลึกชาติได้จริงเราก็ปฏิเสธความเชื่อที่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าออกไปได้โดยสิ้นเชิงจากเหตุผลเพียงสั้นๆดังที่กล่าวมานี้ท่านผู้ฟังคงจะเห็นแล้วว่า การศึกษาให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงสามารถระลึกชาติได้จริงแม้ค น, อ, นอื่นๆที่ได้ฌานขั้นสูงก็สามารถระลึกชาติได้นั้นในเมื่อเข้าใจและเชื่อในเรื่องนี้ได้อย่างสนิทใจแล้วศรัทธาที่มีต่อศาสนาก็จะมีอย่างมากและตนเองก็มีความเต็มใจที่จะประกอบตนให้อยู่ในความดีเสมอเพราะเหตุที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญดังที่กล่าวมา ข้าพเจ้าจึงได้กราบเรียนถามเทพเจ้าที่ท่านอธิบายมาแล้วอีกซึ่งท่านก็ได้อธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้ก่อนอื่นขอให้เรายอมรับว่าชีวิตทุกชีวิตซึ่งไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์หรือเป็นคน ทั้งหมดล้วนแต่เกิดมาจากวิญญาณของตนเป็นผู้สร้างซึ่งวิญญาณที่ว่านี้ก็คือวิญญาณของแต่ละชีวิตในเมื่อเรายอมรับความจริงในเรื่องนี้แล้วก็ขอให้สังเกตดูว่าโครงสร้างของร่างกายซึ่งมีความซับซ้อนอย่างยิ่งนั้นวิญญาณก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เหมือนแบบเดิมความจําของวิญญาณวิเศษปานใดและความจาที่ว่านี้ก็คือ ความจําของจิตไร้สํานึกวิญญาณสามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกตัวแต่ก็ทําได้อย่างดีที่สุดไม่มีความบกคร่องหรือผิดพลาดนี่หมายถึงพูดที่เกิดมามีร่างกายสมบูรณ์ไม่พูดถึงคนพิการซึ่งมีรายละเอียดที่จะต้องอธิบายกันอีกยาว ขอให้พิจารณาดูว่าใครก็ตามในเมื่อสามารถทำสิ่งใดเหมือนเดิมได้ทุกครั้งก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความจำดีมากร่างกายของคนเราแม้จะเกิดมาจากพ่อแม่ก็จริงแต่ก็ได้เคยอธิบายบ่อยครั้งว่าลําพังพ่อแม่อย่างเดียวไม่สามารถจะทําให้คนเราเกิดขึ้นมาได้แต่คนทั้งหลายก็มักจะเข้าใจว่าพ่อแม่คือตัวการสาคัญที่ทาให้คนเราเกิดมา ที่เขาเข้าใจเช่นนี้ก็เพราะไม่เข้าใจเรื่องชีวิตหลังจากตายแต่ถ้าเข้าใจชีวิตของพวกโอปปาติกะเป็นอย่างดีแล้วเราจะมองเห็นได้ชัดว่าวิญญาณสำคัญเหนือสิ่งอื่นทั้งหมดเพราะชีวิตของพวกโอปปาติกะทั้งหลายสามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่จากตัวอย่างอันนี้จึงทำให้รู้แจ้งว่าวิญญาณนี่แหละคือตัวการสาคัญที่สร้างสรรค์ชีวิต และยิ่งกว่านั้นคนที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นโอปปาติกะถ้าจิตใจเป็นปกติก็สามารถที่จะจำถึงเหตุการณ์ในหุ่นหลังได้เหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเหตุการณ์ที่เคยจำได้ก่อนที่จะนอนหลับก็ยังคงจำได้ทั้งหมดชีวิตของพวกโอปปาติกะแสดงให้เห็นว่า ความจำเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องของสมองเพราะฉะนั้นคนที่สามารถเข้าสมาธิได้สูงคืออย่างน้อยต้องได้ฌานขั้นที่4และต้องมีความชำนาญด้วยจึงจะสามารถระลึกชาติได้ขอสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการที่วิญญาณสามารถสร้างร่างกายขึ้นมาได้เหมือนเดิม แสดงให้เห็นว่าวิญญาณมีความจำดีที่สุดและความจำในเรื่องนี้ก็สลับซับซ้อนมากขอให้สังเกตว่าความจำในส่วนนี้มีอยู่ในจิตไร้สำนึกคือในภวังคจิตผู้ที่สามารถเข้าฌานขั้นสูงได้ทุกคนจะสามารถนำเอาความสามารถจากภายในคือจากในภวังคจิตออกมาใช้ได้ตามความต้องการ ส่วนคนที่เข้าสมาธิไม่ได้หรือเข้าได้แต่ขั้นต้ น, ตนจะไม่สามารถเอาความสามารถจากภายในออกมาใช้ได้ตามความต้องการขอให้สังเกตว่าในขณะที่เรายังอยู่ในท้องแม่ในใจของเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเราก็ไม่รู้ตัวทั้งๆั้งที่ในขณะที่อยู่ในท้องแม่ ก็มีความนึกคิดมีการใช้สติปัญญาเหมือนกันเพราะถ้าไม่มีความนึกคิดไม่มีสติปัญญาแล้วร่างกายก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ความคิดในตอนนี้เป็นไปโดยไม่รู้ตัวแต่มันก็มีอิทธิพลมากที่สามารถสร้างร่างกายขึ้นมาได้จุดนี้พยายามพิจารณาให้เข้าใจซึ่งในเมื่อเข้าใจแล้วก็จะสามารถรู้ได้เองว่าเพราะเหตุไร คนที่ได้ฌานขั้นสูงจึงสามารถระลึกชาติได้โดยปกติถ้าจิตใจเป็นอิสระจากร่างกายไม่ผูกพันอยู่กับร่างกายไม่ตกเป็นธาตุของวัตถุอารมค้างไม่มีคนเราจะสามารถระลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาได้ง่ายคนที่มีความจำเสื่อมสาเหตุที่แท้จริงนั้น ขึ้นอยู่กับความกดดันในเรื่องอารมณ์หรือมีอารมณ์ค้างมากส่วนผู้ที่จิตใจเป็นอิสระอะไรที่เคยผ่านมาแล้วแม้จะเป็นเวลานา น, านแสนานานในเมื่อต้องการจะรู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในอดีตก็สามารถที่จะระลึกขึ้นมาได้โดยไม่ยากจงเปรียบเทียบกับเด็กที่อยู่ในท้องแม่ถึงแม้ว่าเด็กจะไม่ได้เข้าชาน แต่ก็เหมือนอยู่ในฌานเพราะสามารถตัดโลกภายนอกออกไปได้โดยเด็ดขาดจิตใจของเด็กในตอนนั้นไม่นึกถึงสิ่งอื่นคล้ายกับอยู่ในสมาธิที่ลึกมากจงคิดดูในเมื่อเด็กอยู่ในท้องแม่ยังมีความจำดีในฐานะที่สร้างร่างกายขึ้นมาได้เหมือนเดิมคนที่ได้ฌานก็คือคนที่ตัดโลกภายนอกออกไปได้ทั้งหมดจิตใจไม่รับรู้ถึงสิ่งภายนอกและในเวลาเดียวกัน จิตใจก็บริสุทธิ์มากอารมณ์ค้างหรือความกดดันใดๆไม่มีเพราะฉะนั้นจึงสามารถระลึกชาติได้คนที่ถูกสะกดจิตแล้วระลึกชาติได้ก็อยู่ในภาวะคล้ายกันคือคนที่ถูกสะกดไม่รับรู้ถึงสิ่งอื่น ความนึกคิดของเขาทุกอย่างตกอยู่ในอำนาจของคนที่สะกดซึ่งก็คล้ายกับคนที่อยู่ในสมาธิขั้นสูงแต่ก็แตกต่างกันเพราะคนที่ได้สมาธิขั้นสูงมีสติควบคุมตัวเองได้อย่างดีส่วนคนที่ถูกสะกดไม่มีสติควบคุมแต่ความคิดของเขาก็ตกอยู่ในอำนาจของผู้สะกดไม่ได้คิดอะไรเป็นของตัวเองเพราะเหตุนี้ในเมื่อผู้สะกดสั่งอย่างไร ผู้ที่ถูกสะกดก็จะทำอย่างนั้นและในเมื่อสะกดจิตให้ลึกลงไปมากๆพร้อมกับเตือนให้นึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเขาก็จะระลึกได้เพราะเหตุนี้ผู้ที่ถูกสะกดจิตจึงสามารถระลึกชาติได้แต่ก็อย่าลืมว่าคนที่ระลึกชาติได้โดยวิธีถูกสะกดจิตนั้นอาจจะมีส่วนผิดพลาดได้ง่ายส่วนผู้ที่ได้ฌานขั้นสูง จะไม่มีทางผิดพลาดเลยผู้ที่นอนหลับสนิทแล่าฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตชาติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยมีหลักอย่างเดียวกันกับทฤษฎีของผู้ที่ระลึกชาติได้ด้วยอำนาจฌานหรือระลึกชาติได้ด้วยการสะกดจิต คือหลักสาคัญมีอยู่แต่เพียงว่าถ้าจิตใจเป็นอิสระจากร่างกายไม่ผูกพันไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งใดๆเหตุการณ์ในหนนหลังก็จะรื้อฟื้นขึ้นมาได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นสาหรับคนบางคนที่นอนหลับสนิทแล้วฝันถึงเหตุการณ์ในชาติก่อนซึ่งในขณะที่นอนหลับนี้จะต้องเป็นการหลับที่สนิทจริงๆและจิตใจก็ต้องเป็นอิสระจากร่างกายด้วย ซึ่งคนที่จะนอนหลับได้อย่างนี้ในชีวิตประจำวันจะต้องเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรได้ง่ายอารมค้างหรือความกดดันต่างๆไม่ค่อยมีจึงจะสามารถนอนหลับได้สนิทมากแต่ถึงกระนั้นคนที่จะนอนหลับได้สนิทจนกระทั่งระลึกเหตุการณ์ในชาติก่อนได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีพื้นสมาธิดีมาตั้งแต่ชาติก่อนก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่การนอนหลับในบางครั้งจะสามารถทำให้ระลึกชาติได้คำอธิบายต่างๆดังที่กล่าวมานี้ขอได้โปรดฟังหลายๆครั้งจนกว่าจะสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ซึ่งในเมื่อเข้าใจสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นพื้นฐานทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่เร้นลับต่างๆได้โดยง่ายขอให้สังเกตว่าคําอธิบายดังที่ท่านแนะนำมานี้เป็นคําอธิบายที่อาศัยข้อเท็จจริงซึ่งจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าคนไหนจะไม่เข้าใจว่าการระลึกชาติเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ก็เพราะสาเหตุข้อเดียวคือยังไม่เข้าใจว่า คนเราเกิดมาจากวิญญาณของตนอันหนึ่งยังมีตัวอย่างของคนที่ระลึกชาติได้อีกแบบหนึ่งคือบางคนพอเกิดมาไม่นานเท่าไรพอเริ่มพูดได้ก็สามารถระลึกชาติได้เป็นการระลึกได้เองแต่บางคนอาจจะระลึกได้ก็ต่อเมื่อไปเห็นสถานที่หรือสิ่งของบางอย่าง ซึ่งตัวเองเคยมีความเกี่ยวข้องมาแล้วในอดีตชาติสำหรับในกรณีอย่างนี้ส่วนมากมักจะออกมาในรูปของการสังหรณ์ใจคือนึกได้อย่างเลือนลางว่าตัวเองเคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนตัวอย่างในทํานองเนี้ยปรากฏว่ามีไม่ใช่น้อยเหมือนกัน โดยเฉพาะตามที่ศสตจารย์เอียนสตีเวนสันซึ่งเคยเข้ามาเมืองไทยหลายครั้งได้ทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องบุคคลผู้ระลึก ช, ชาติได้ทั้งที่มีอยู่ในเมืองไทยและต่างประเทศอื่นๆ อ, อ, อีกหลายประเทศตัวอย่างของบุคคลที่ระลึก ช, ชาติได้ซึ่งมีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้มีอยู่ประมาณ600กว่ารายจากข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บางคนสามารถระลึกชาติได้จริงพระพุทธเจ้าตอนที่ประสูติมาในวันแรกตามคำพีก็ปรากฏว่าพระองค์ระลึกชาติได้เหมือนกันเพราะพระองค์ทรงเปล่งอุทานมาว่าเราเป็นเลิศในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ซึ่งเป็นการระลึกถึงความรู้สึกในสมัยที่ยังอยู่ในสวรรค์ที่ได้ส่งตั้งพระไทยที่จะดจุติลงมาเกิดเพื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคนส่วนมากเมื่อได้อ่านพบเรื่องนี้ก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะเป็นการผิดวิสัยธรรมดาเด็กที่เกิดมาในวันแรกจะเดินได้พูดออกมารู้เรื่องได้ไม่เคยพบเห็นที่ไหนแม้แต่รายเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ดีก็ขอให้พิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลพิเศษสูงสุดนานแสนนานนับเป็นกับจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สักองค์หนึ่งเรื่องพิเศษอย่างนี้จะเป็นไปไม่ได้ทีเดียวหรือถ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาสามัญก็ย่อมจะลงความเห็นว่าการที่พระพุทธเจ้าพูดได้เดินได้ในวันแรกที่ประสูตินั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับคนเกือบทั้งโลกเมื่อเกิดมาแล้วระลึกชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อไปเห็นหรือได้ยินว่ามีคนระลึกชาติได้จึงมักไม่ยอมเชื่อทั้งๆ ท, ที่หลักฐานการพิสูจน์ชัดเจนว่าเป็นความจริงทำไมบางคนที่เกิดมาจึงระลึกชาติได้ เรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไรเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามท่านแล้วเหมือนกันและท่านก็ได้ให้คำอธิบายเพียงสั้นๆว่าคนที่เกิดมาระลึกชาติได้ส่วนมากเป็นการระลึกได้เฉพาะเหตุการณ์ที่เป็นความประทับใจอย่างรุนแรงส่วนเหตุการณ์ธรรมดามักจะระลึกไม่ค่อยได้และอีกประการหนึ่ง คนที่ระลึกชาติได้โดยวิธีนี้เป็นคนที่มีนิสัยถ้าลงว่ารักใครก็รักอย่างฝังใจและถ้าลงว่าเกลียดใครก็เกลียดเข้ากระดูกดําและอีกประการหนึ่งคนประเภทนี้เมื่อตายจากคนไปเกิดเป็นโอปปาติกะมักจะมีชีวิตอยู่ในโลกของโอปปาติกะไม่นานแล้วก็กลับมาเกิดเป็นคนอีกแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดนั้น อยู่ที่บุคคลประเภทนี้โดยสันดานเป็นคนที่มีความจำดีอารมค้างหรือความกดดันถึงแม้จะมีบ้างแต่ก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาระลึกชาติได้เพราะถ้าหากมีความกดดันอยู่ตั้งหลายๆเรื่องก็จะทำให้การระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตสับสนเหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วฝันเปะปะหลายเรื่องบุคคลประเภทนี้ตื่นขึ้นมาแล้วจาความฝันของตนเองไม่ได้และมักจะเข้าใจผิดว่า ตนเองนอนหลับไม่ฝันซึ่งความเป็นจริงแล้วบุคคลที่นอนหลับไม่ฝันเลยมีประเภทเดียวคือพระอรหันต์เท่านั้นตัวอย่างของบุคคลพิเศษซึ่งในจำนวนหลายคนจึงจะมีสักคนหนึ่งนั้นถ้าหากเราไม่เข้าใจถึงเหตุผลก็เป็นของธรรมดาอยู่เอง ที่จะต้องไม่เชื่อเพราะโดยธรรมดาที่คนเราจะคิดได้เชื่อถืออะไรได้ก็ต่อเมื่อได้เทียบเคียงกับประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเพราะฉะนั้นในเมื่อเรื่องไหนซึ่งรู้แน่นอนว่าตัวเองก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเกิดกับตัวเองและเมื่อสังเกตเห็นคนอื่นๆเป็นจำนวนมากมายก็เป็นแบบเดียวกับตัวเองจึงไม่ยอมเชื่ออันนี้เป็นหลักธรรมดาทั่วไป แต่อย่าลืมว่าสามัญสำนึกที่ผิดและมีอยู่อย่างแพร่หลายก็มีเช่นไม่ว่าใครก็เข้าใจว่าร่างกายเป็นตัวเราหรือของของเราจริงๆความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างที่แสดงออกก็เป็นของเราสามัญสำนึกอย่างนี้ท่านเห็นแล้วหรือยังว่ามันผิดมีโทษมากด้วยแต่คนทั้งหลายแม้จะได้ยินได้ฟังความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ตาม แต่ก็จะมีสักกี่คนที่จะปลงใจเชื่ออย่างสนิทว่าตัวเราที่แท้จริงนั้นไม่มีหรือถึงแม้บางคนจะเชื่อว่าตัวเราไม่มีแต่การดำเนินชีวิตก็ยังคงเป็นไปตามความเคยชินเคยยึดถือตัวตนอยู่ตลอดเวลานั่นเองเห็นแล้วหรือยังว่าสามัญสานึกบางอย่างใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น ในเมื่อเห็นอะไรหรือรู้อะไรที่ผิดไปจากที่ตนเคยรู้เคยเห็นก็อย่าเพิ่งปฏิเสธว่าไม่จริงจบเล่มสางานเขียนโดยพรรัตนสุวรรณ เสียงอ่านโดยโจโฉติดตามดาวโหลดธรรมะมากมายและเสียงอ่านสไตล์โจโฉได้ฟรีที่เว็บรวมเสียงธรรม